ขอกราบคารวะพระรัตนตไตยคือพระพุทธพระธรรมพระสูง์ขอนมัตรการหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเขียนที่เคารพอย่างสูงของพวกเราทุกคนตลอดทั้งพระเทลานุเทลาคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่าน ขอเจริญพรเม่ชียาดมวาุปุบาติกาผู้ไฟในธรรมทั้งหลายนั่งตามสบายหล ว, วงพ่อเป็นพระคนแก่ไก็เป็นหลวงพ่อธรรมดาไม่มีความไปได้ศึกษา ว, วิชาการอะไรเกิดมาก็ทำแต่การหนงานดูกับบ้านดูกับ ครอบครัวจนเท่าอายุได้ห้เก็ดปีได้ออกมาบวชบวชก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่นันหรอกทำงานมากเพระาะกลัวตัวเองมันจะอายุไม่ทนทานมันไม่สบายทั้งตับไตไ้พุงอะไรเป็นร่วมเป็นอะไรมันเหนื่อยมัน จะตายแล้วก็ขอแม่วันมาบวชมาบวชแล้วก็บวชเข้ามาก็ได้พรรษาหนึ่งพรรษาที่สองนี่ว่าจะศึกศึกก็เจ้าพนามเพิ่ท่านบอกว่าถ้าจะศึกก็ให้ไปไปเข้าปริวาตกรรมก่อน ท่านมาอย่างนั้นลูกก็ได้ฟังคําท่านก็ไปเข้าคำเนี่แหละไปไปปฏิบัติธรรมบ้านอยู่ไกลไม่ไกลที่อยู่อยู่คนละภากทุ่งบ้านกุตําไทรก็ไปอยู่ที่นั้นไปเข้าไปปฏิบัติธรรมไปก็ไปเห็นน้องพ่อคําเขียนน้องพ่อบุญธรรม กับอาจารย์มหาดดเลกับพระองค์หนึ่งมาทางอำเภอหนองใหญ่มาให้ธรรมะตั้งแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าธรรมะนี่คืออะไรนึกว่ามีแต่การทำบุญให้ทานกาศลอยู่ตาม บ, าบ้านบ้านตัวเองได้อยู่ในพุทธศาสนาเป็นได้บั พุทธศาสนาก็าว่าใจก็ดี อ, อกดีใจมานี่เป็นเนนมาตั้งแต่เป็นเนรมาบวชบวชพรรษาหนึ่งเอาพุทธประวัติมาดูดูเราเรื่องพระพุทธเจ้านี่แหละเรื่องพุทธศาสนา พ, พวกเนนคุยกันแล้วก็ไปไปอยู่ไปเรียนนักธรรมไปเรียนนักธรรมก็ ท่านสอนว่ามันหมดยุคหมดสมัยพระสัตว์โ อ, อ้ยพระอรหันแล้วเดี๋ยนี้ถ้าเราเกิดมาท่านพระพุทธเจ้าคอยจะได้เรียนก็ได้มาจะได้มาปฏิบัติจะได้เป็นพระอรหันเหมือนท่านคิดบางนี้พูดกันแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนสอนก็หมดยุคหมดสมัยแล้วไม่มีสมยัยพระพุทธเจ้าไม่มี ไม่ไม่มีพระอหันต์แล้วเบิดยกหมดสมัยของพระอนันต์ก็เราพวกเราก็ได้มาร่วมพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ก็เอาละพวกเราไม่มีบาสนาน้อ ย, อยล้วก็เราก็เรียนไปตามธรรมดาไม่รู้จัก <ส jer. S 1> พอมาเข้ามาบวทนี่มาบทเนี้ยมา ไ, มได้ฟังขา่าว มาได้ยินคําสอนของหลวงพอ่อตัดไปที่มีบริษัททังสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปัปปติปัติบาธรรมเนี่ยพระพุทธศาสนาจะไม่ออกหนีจากโลกเหล่านี้ได้เลยหลวงพ่อก็เลยถามหลวงพ่อว่าถ้าพุทธศาสนาไม่เห็นพระอระหันต์มาเหาเดินหงเหินเดินอากาศบนด้านปฐม ด, ำดำนินนะ้เห็นหลวงพอ่อ ตั้งแต่คนเขาว่าพระพอรหันนี่ทาได้หมดนะถามท่านท่านว่าไม่มีรอกเป็นแบบนั้นนะหอเหินเดินอากาศนี่ไม่มีท่านว่าอย่างนั้นเป็นมนุษยธรรมธรรมาธรรมดานพระอรหันต์ก็คือหันหลังให้กิเลสเท่านั้นแหละเป็นเหมือนธรรมดาตอนนี้แหละ เหมือนกันอยู่ด้วยกันกับพวกเรานี้ก็ตัวนี้ยังมีอยู่แต่เราไม่รู้ท่านบางนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ให้มาปฏิบัติดูเอกท่านไปนั้นแล้วก็หลวงพ่อก็คิดว่าเกิดไม้สรางเดี่ยวนี่ยรรมมันมีจีอจริงเนี่ยก็จะลองไปหวดดูไปเรียนดูมันจะมีจริงไหมหลวงพ่อสนใจหา แต่แต่ก่อนอยากคิดจะไปอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จักว่าบนที่ปฏิบัติอยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่รู้จักนก็เลยถามหาพวกที่ไปปฏิบัติเคยเคยมาประพฤติปฏิบัติแต่เก็ก็ไปถามเขาถาม้องท่านก็มีอยู่หลวงพ่อนั่นแหะหลวงพ่อชัยรัตนมาจากวัตนธรรมใน ท่านมาอยู่เนี่ยหลวงพ่อเจรันก็ยังไม่รู้ธรรมาดอกในระยะนั่นน่ะพอไปได้นี่ยแหละพอเป็ครูพอสอนคติคตะได้อย่างนั้นน่ะยังไม่แน่ชัดนั่นแหละก็เลยไปทดลองไปขอท่านไปท่านไม่ยังไม่ให้ไปดอกจะได้ไปได้ไงหลวงพ่อคนไม่ใช่ไปทํำเล่นๆนะบุหรีก็ไ่ให้ไม่ให้สูบ นอนก็ตีสามตีตีสามตีสี่จึงค่อยลุกได้ก็ได้ลุกนอนก็นอนตอนสามทุ่มยังค่อยได้นอนท่านจะอดได้ไหมทานว่านั้นไปมไปมาได้หรอท่านบางนี้โอ้ตั้งแต่พ่อหลวงพอยังไปได้ครับผมก็คนเหมือนกันทําไมจะไปไม่ได้โกว่างเนี่ยถ้าว่านี้เราไปเราไปลองดู โอ้ไปลองดูนี่ก็บ้านบ้านนอกหอกนาไม่รู้จักภาษีภาษาเขาออกจากอยู่อยู่กรรมกาวันนั้นก็มามาสอนอย่างอย่างนี้แหละเอาอันนี้ํำสอนที่พวกเราทำอยู่เนี้ยไปยตอนนะก็ไปอยู่ในวัฒนธรรมในโว้ยเออ คนตั้งไม่ตั้งไม่ไม่น้อยเลยคนหละอยู่นั้นน่ะมิตรไม่มีใครจะพูดอะไรตอนตอนกลางคืนตอนสามทุ่มไปถึงที่นั่นไปแล้วก็นึกว่าไม่มีคนตอนพอจกว่าพอถึงเวลาทำวัดอย่างพวกเราวันนี้แหละก็คนนั้นออกมา้คนนั้นนี่ออกมาเต็มเลยคนะแต่ไม่มีคนพูดพูดไม่ได้อยู่ที่นั้น หลวงพ่อก็พูดไปตามชาวบ้านนอกเลยยังไม่รู้ทบจากอะไรอ่ะพูดไปเอ๊ะพหลวงพ่อจากนั้นเอาบ้ามาจากไหนเลว่าคนพูดเขาพูดกันฟังดูดูอยู่เขาพูดกันดูไม่รู้อมาจากบ้านไหนปุ๊บแต่บ้านของท่านเลพื่นเอ็งมั่งฟังนั้นผมผมก็โอ้โกรธเล้วว่าจะหนีนั่นแหะว่ากินข้าวอิ่มแล้วก็จะไปบ้านไปไม่อยู่อถ้าเรู้ถูกนินทากันแบบนี้ ถามว่าดีๆคนคนไม่รู้มันจะพูดอะไรก็ต้องมาเรียนนั่นแหละทางแก่นจะมาเรียนทำไมคิดคิดอยู่ในใจก็อยู่อยู่างนั้นแหละพอไปบินบาทก็ถูกด่าไม่มีใครด่าเรงรองหลวงพ่อจรัน่ะด่าด่าคิดว่า มนฑิทิความือเนี่ยตัวอะไรมันก็มันมีอยู่ทมหอตุมหางหมก็เป็นคนที่ไม่เคยหย่อนใครตั้งแต่ก่อนคิดว่าไปยืนอยู่มืดๆนื่นนะถึงเวลาเขาถึงจะมามาใส่บาทก็มันมันประมาณจากจากสบหนาทีนี่มันเดินยืนอยู่น่ะทั้งยุงกัดด้วยหลงพ่อก็ค่อยเดินไปทำไปอีก ไปยืนอยู่อย่างเนี้ยยืดคอครอมาเลยยงนอคุดยืดด้วยในใจหลวงพ่ออาจารย์ก็ด่าขึ้นโอ้ใครจะมากินไม่เถียงหรอกเขาไม่เห็นนอมันมืดเะมือนนอคุดไปยืดในใจว่ามันมืดเขาเห็นนอเหมือนมาคุดยืดในใจโออันนี้ก็ยังใคร พอไปถึงบ้านไปถึงบ้านบ้นอื่นอีกเดินขําทางรถไฟไปไปแล้วก็พอไปเขามาจะมาใส่บ้านเนี่ยใส่บัตรฝาบัตรยังไมันหลุดมืออีกอยู่กับถูกด่าอีกบัตนี้ไม่ไม่อย่งนั้เปดเดินไปตามทางเนี่ยมืดตาหน้ามืดตากูเอาละบัตเนี้ยมา ไปคิดหาหาค้อน่ะหาค้อนพรตเตียขอออยแต่เอาให้ตายแลในคิดว่าวันนี้ก็มาคิดไปอีกคิดไปเออเรามาทำหาความดีมาหาทำแบบนี้มันจะได้หรือหว่าจะอดได้ไม่น้อต้องอดดูลองลองออดดูไปอย่างสองสาวันถ้ามันเป็นแบบนี้จะค่อยเอาอันี้ทุดนี้ฟังมาก่อน มันก็ยังมีสติอยู่เหมือนกันแหละก็ไป่างนั้นแหละทุกดาเรื่อยละเอาไปเอามาตั้งนานน่ะจัค่อยๆค่อยเข้าใจเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัตินี่แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเหลือเกินอยู่ที่นั่นไม่ได้บอกแบบพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เ่าแกย่างแคทแง่แง่เลยการปฏิบัติทำอารมณ์อะไรเป็นยังไงแต่ไงเนี่ย พูดให้กันฟังหมดเลยหาวิธีคนแก้อารมณ์ให้ก็คือพระพ่เลี่ยงก็ดีดีบอกพวกเดี๋ยวนี้พวกเราเดี๋ยนี้แต่จังใจก่อนเนี่ยโอ๊ยเอาให้หารูปผ้าน้ําเห็นนะว่างั้นเนี่ยันนี้รูปนันคือกายน้านั้นคือใจเวลาเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้ว่างั้นเคลื่อเราโอ๊ยอันนีงนี้เผกันรู้ดรอกว่า กายกับใจคนไม่เห็นกายกับใจมันก mm ็บ้าเท่านั้นแหละบ้านเนี้ยบ้านนี้ก็ปฏิบัติไปเนี่ยเดินตรงกรมไปเดินตรงกรมนี้ก็โอ้ยมันรู้สึกว่าลำบากมากเดินไปเนี่ยยังยังไม่เดินไม่มันมันคิดหรอกมันไม่คิดหรอกใจกิตใจของเราเนี่ยนั่งคุยกันก็ไม่มันมันก็ไม่คิด พอเดินจงกรมไปหรือนั่งจ้างจังหวะนี่แหละไม่รู้ว่มันมาจากในความคิดอ่ะจบเรียงนั่นแล้วก็เอาเลี้ยงนี่จบเรียงนั่นไปเอาเรียงนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปแต่เดินอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะทายังไงมันยึงจะหยุดให้ก็มันคิดไปก็คิดไปตามมันนั่นแหละไปตามยถากรรมครูบาอาจารย์มาถามหลายวันท่านมาถามมาถามก็ตอบให้ท่าน หลวงพ่อรูดรูดรูดรูปนามหรือเปล่ารูดรูดรูดนามรูดเคยรูดไหมลูกครับว่ารูดอะไรนามนามคือโอก็ไม่ใช่เอย่างนั้นหรอกแต่ท่ามาถ่ายจับแขนอันนี้อะไรหลวงพ่อมาจับแขนควยๆจับถึงควยๆสั่นสันแขนหลวงพ่อเนี่ยอันนี้แขนมาใจอยู่ที่ไหนฮะใจอยู่ที่นี่ครับ อยู่ในอยู่ในเลยยิ่งได้ยินเที่มมันตําเข้าอยู่วะถามอย่างนี้ก็ตอบไปอย่างงั้นแหละก็ได้ไหมโอ้หลวงพ่อไม่ไม่รู้เราไปอยู่ได้เดือนเหนือนั่นน่ะยังไม่รู้เลยมานน้หลวงพ่อไม่ยังไม่รู้มาหรอกโอ้เกิดเสียใจเลยวันนี่ยเสียอกเสียใจเอ๊ะลูบน้ํำมันเป็นไงนาะมันจะเป็นไงเนาะ กายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเรามันจะอะไรมันจะเป็นรูปเป็นนามก็เดินไปนั่นเนี่ยไปตามยถากรรมไปไปบางทีมันก็เนี่ยมันก็รู้จักมันคิดไปทางนั้นทางนี้ก็รู้จักแล้วมันเดินไปเก้าไปเก้าไปเนี่ยพอพอมาดูการเคลื่อนไหวซะเน่ะ มันมาคิดเลยจบเรื่องนี้ก็ไปเอาเรื่องนั้นบางทีมันยังไม่สุดเรื่องมันก็ไปเอาเรื่องอื่นมาคิดอีกอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้ไปไปอยู่ที่กับหลวงพ่อใบทูลไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเขามานำไปตามไปให้ไปปไปจําสายที่นนท์พระครูจันทร์ อาจารย์อะไรนะอาจารยเป็นหัวหน้าอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนะนี่ยก็ไปอยู่นั้นภาษาหนึ่งพรษาหนึ่งเ็สามเดือนเนาะวันนี้ไปมาไปอยู่สามเดือนก็กลับขึ้นมาว่านีน่เคยไม่ได้อะไรเลยรูปนปาก็ไม่ได้ ก็มาตามเลี่ยงตามเรานั้นแหละแต่ว่าไปอยู่กับปนบ้านไว้วัดธรรมดาเราไม่ได้อีกแหละพาเห็นบ้านพวกเราเห็นพระพูดไปทั่วก็ไม่ไม่พอใจอืคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องผู้หญิงหญิงเรื่องนั้นเรื่องนี่สารพัดตัวแต่นั่นนะตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเรียกกันเอื้นถามกันเรียกทํายังไงขนหวยทําอยู่ไม่ได้ก็กลับขึ้นไป กับขึ้นมปเนเี่ยกับพึ้นมหาลพชจรันจรันหลวงพ่อจรันมอยู่บ้านมาแล้วก็มานับได้เวลาสิบห้าเดือนตั้งแต่เป็นพระรูปนายังไม่พอ่อไม่เจอเลยเออไปวันนี้ก็มาเข้าพรรษาอยู่ที่นั่นนะอยู่กับหลวงพ่อเจรันหลวงพ่อเจรันก็ให้เจ็บอารมณ์สิบสองวัน เก็บอารมณ์นี่ผมไม่เข้าใจอาจารย์หลวงพ่อมาพูดเดี๋ยวผมฟังหน่อยท่านก็มาพูดให้ฟังเพื่อฟังแล้ก็เข้าเข้าเก็บอารมณ์เดินจงกลมน่ะท่านว่าให้ดูการเคลื่อนไหวให้มันเข้าใจคนเรานี่มีกายกับใจสองอย่างทุกก็ทุกทั้งกายทุกทั้งใจสองอย่างเท่านั้นแหละแล้วก็ให้ออกจากทุกแล้วให้ ให้เรามาประพฤติปฏิบัติให้ดีตั้งใจทางก็บอกหมดก็มาไปปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยวุ้ยขมวงเหงาเหานอนเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนมืดหน้ามืดตาเลยอยู่สองพอปัติได้สองวันสามวันเนี่ยมันมืดตาไม่ขึ้นเลยทางที่ทำดีๆเตียนเตียนเนี่ย มันเป็นหลุมเป็นบ่อตกหน้าตกหลังทางร่มทางคุบตะคุบตะคารไปไม่ก็ไม่ไมบานเราเอินเดียวว่าไม่โอหลายตน้นไม่จำจำมันไม่ได้หรอกน้วพอที่จำเหมือนดื่มก็ไม่ได้ลืมแล้วเลยเนะี่ยคนก็ลืมหมู่พวก หงซื่อลงตื้อยังแปลอะไรเลยตอนนี้ไม่เหมือนเดิมจะจำอะไรก็ไม่จำไม่ได้แต่เห็นหน้านี่ผู้จักอยู่แต่จำไม่ได้่าให้พูดเรื่องนั้นพวกเดือนนี้ก็พูดไม่ได้หรอกลืมก็มาพูดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมาพูดนี่ก็บัดนี้ก็มันอยู่1ิบห้าเดือนเราไม่รู้จักอะไรเลยที่แรงนี่มาก็ มาอยู่ที่วัฒธรรมไหนนั่นมันถามกันเป็นแล้วไปนี่มันเหนื่อยเหนื่อยนี่จะไปหลุดหยุดพักมันจากนอนมันจากนอนเลยก็ไปนอนมันจะดีรึเไปนอนจากนิดก็ น, นา่าวะอ๋อมันถามกันมาเนี่ยมเรามาอะไรเดี๋ยเนี้ม า, มามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ต้องอดเอาตี้อย่าไปเป็นอย่าไปคนเป็นคน ที่เกียรติค่าไม่ได้เนี่ยมันครูบาเราสอนเนี่ยบอกว่า้นถ้าตัวมันที่เกียรติเราขยันมันไม่ทําเราทําก็เอาอย่างนั้นแหละก็ทําเนี่ยมันมันจกนอนอ๋อให้มันตายแต่ทั้งเกตายพราะมันเนี่ยไม่อยากอยู่ในโลกเนี่ยมันไม่มีบุญไม่มีวาตนาไม่มีบารมีไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนกลางวันไม่ได้นอนเลยไปอิงต้นไม้ม่ได้ ยิ่งต้นไม้เนี่ยมันจะหลับปั๊บหละมันนี้ก็ลุกขึ้นไปไปเดินเนี่ยไปเดินนี่แมนก็มัน่วงนอนะมันมามันมันมันมันไม่หายสักทีเลยอดสายเดินแบงนั้นแหละอดสายทู่ไปเอาตายทำมันตายไปบันนี้วิ่งแบเนี่ยวิ่งเปรี่ยวคนเดียวเอพระวิ่งเปรี้ยวอยู่ในกลางวัด ม mm, e ันมันไม่มีปัญญาสู้เนี่้วงพ่อวิ่งทาไมเอาควควย่งนอนเนี่ยท่านบอกเล่าเด้บอกเล่าได้มันมาคือจังเกงแท้ท่นบัขี่คันวเนียว่านบักขี่คันงด้วยเดยวท่านบักแกงน้อนเนี่ยว่านที่้ามันวิ่งมึงเนี่ยวะเนี่ยขววิ่งไปนี่มันก็ะซื้นขึ้นมา ปด้วยกัมาก็วิ่งโอค็คยุดวิ่งกเเ็เดินมันเดินเหงาก็ อ, กอีกละยู้ยังสั่นอเอาไปเอามาเอาไปเอามาโอ้ทนทุกทุนละมาทะแท้ๆเดีวก็วกพอมันมนัน่นก็ออกกังก็มามาเดินเนี่ยออกกันง่วงแล้วก็มันไม่ออกกันง่วงนะทังทังง่วงทั้งคิดคิดเรื่องนั้นคิดอย่างนี้อยู่อย่างนั้นล่ะ บาดนี้โศตายบาดเนี่ยเอาให้มันตายไปไม่ไปอะไรละทำมันยุ่นั่นแหละกลางกลางคืนไม่อยากไม่อยากนอนเนีมันมันมันไม่พอดีนะไปนอนก็ไม่หลับซะด้วยนะอันตัวต้นกรเล็ดเนี่ยเนี่ยอยากนอนอยากนอนไปนอนมันก็ไม่หลับถ้าไปอินต้นไม่มันได้หลยอินตอรไม่เลยก็เป็เหงามันก็หลับไปเลยดับกระคาเนี่ยอ่อนอ่อนอ่อนแทะตรงบ๊ม ลมลมทางนั่นเลยโอ้โอชาทุกททุกบาลนี่อยู่อยู่วัฒนาไหนนะวันนี้หลวงปู่บอกบอกไปนวดนวดนตัวนวดนั้นให้นวดตัวเราท่านนี่นวดแข้งนัดขาเนี่ยหลวงปู่เทียนเนี่ยก็ไปนวดให้ท่านไปพูดกับหลวงปู่หลวงปู่วะหลวงปู่ผมไม่มีบุญวัฒนาบารมีหรอกผมจะลาหลวงปู่ไปหา เดินจงกรมพวกพุทโธกับพวกทำหนออยู่ทั้งนอกดอกเข้าในดงในรอนอนไปตามเบียงตามลาวดอกผมแต่อยากสิกเนี่ยถ้าธรรมะมีนี่ผมว่าอยากสกดอกผมอยากจยจากไปลองทางอื่นอีกมันจะเป็นเหมือนนี่ไหมเขาเราพูดแล้วท่านก็นั่งนอนฟังอยู่เราก็เป็นพูนวดให้บาดนี้ก็ท่านก็พูดให้ฟัง คนเราเนี่ยมันตายเป็นหมดทุกคนนลยท่านว่างนั้นไม่มีคนคําฝ้าเลยหรอกท่านพูดขึ้นให้ฟังมาสร้างบารมีก่อนบารมีเนี่ยนี่แหละเรามาสร้างบารมีอยู่เนี่ยอย่าไปว่าอื่นบารมีนี่คนขยันคนมีคนปรมีเนี่ยคนขยันคนที่คนที่ขั้นไม่มีถ้า ถ้าไปเป็นคนที่เกียจติข้าน่ะบารมีมันไม่มีหรอกให้คิดว่าคนที่ไม่มีบารมีนี่คนที่เกียจติข้านี่มีเงินมีทองมีข้ามีของมากไหมท่านวางแคนะะแต่งแต่คุ้มปากมันจะคุ้มาหมนะคนที่เกียจท่านวางนั้นอยู่นี่แหละมาสร้างบารมีก่อนยังไม่เกิดดอกบารมีตัวเนี้ยบางบางคนเนี่ยถามถามเราพ่อบารมีนี่มัน ถ้ามีพลัมีนี่มันมาปฏิบัติมนีนี่นี่มันจะได้รู้ไว้ไปได้หรือเป่าผมเนี่ยมันม่มีพลั ม, ะละมีมันไม่มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มาแน่นอกผมมันเกิดมาได้กมไม่รู้อย่างเนี้ยผมจะมีพลัมีไหมวนะางแล้วทำไปเออมันรู้ไหมอันยกมือเนี่ยทันวันนั้นดูเอาอยู่กับยกมือนั่นแหละ เ, เพื่นอนหยับบินไปนี่รู้จักไหมรู้ครับ ให้อยู่กับตัวนี้เถอะท่านมาท่านเดินไปเนี่ยให้เดินโดยนไปเหยียบดินไปก็เห็นไปเห็นในดาให้อยู่ให้รู้เท่านั้นแหะไม่รู้ว่ากก็รู้แบัวนี้เขายกมือนี่ก็ให้รู้เฉยๆพอท่านพูดวันก็มาเดินนี่ก็มาเห็นไปเหยียบดินไปนี่ก็ยกมือวันนี้ก็มันก็คิดอยากแต่อยากได้อยากมีเนี่ยมานานเกิดแท้อย่างนั้นในนี้มันก็เดินไปแล้วมันก็คิดว่าธรรมะมันจะเกิดอถ้าเกิดธรรมะนี่ ด้จากธรมาไดนะ้จะไปที่นั่นไปที่นี่มันบ้าไปอยู่ในใจเนี่ยจะไปโปว ด, ดคนนั้นโปวดคนนี้ไปแล้วบวะเนี่ยไปทั้งนี้ อ, นอีกแหละอนาะมันออกจากเรื่องหนึ่งหนึ่งมันจะไปเรื่องหนึ่งอีกอย่างนี้นเนี่ยว่ากลับไปกลับมาเนี่ยเนี่มันหลวงพ่อท่านก็พูดให้ฟังไปฟังไปก็คนบารมีบารมีนี่คือคนขยันเนี่ย ไปที่ไหนมันก็ดีอไม่ทุกข์ไม่จนมีแต่มีขึ้นหน้าทัคนขยันเนี่ยไปไหนก็หูมูอพวกก็ไม่อดไม่อยากไปไหนก็มีคนตอนรับขับสู้มีคนรักคนน่าถือตาคนที่เกียจ้านนี่ไม่มีใครอยากเอาเป็นเพื่อนหรอกไปอยู่ที่ไหนก็จนเขา ก, กลัวมันจะไปแจ็บไปเจ็บอาหารเขาพูดเล่าเนี่ยเอางงผู้ เอาย้นวันนี้ก็มาหาจาังโคจรันเนี่ยบันเนี้ยออกจากนั่นมาทิ่ได้บอกว่าสองผู้เราบอกว่าถอนไม่หมดแล้วคนคนขยันเนี่ยนั่นแหละบารมีบารมีนี่ยมันยังไม่เกิดเรามาทําเหมือนเราทํามาทําไรทํานนั่นแหละบารมีมันไม่เกิดเนี่ยมันก็เรามาทำใหม่ใหม่มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ได้หรอกมันต้องให้เป็น ปีหนึ่งมันจะค่อยได้เห็นอันหนึ่งจงค่อยได้เห็นหมาขึ้นผลมันทันวางนั้นทําไรทํานาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําที่นั้นมัก็มันจะได้ในเวลานั่นมันได้ม่ได้มันต้องปีหนึ่งจึงได้ได้เกี่ยวเข้าผลหนึ่งทันวางนั้นเอาแล้วมาปฏิบัติเนี่ยอดใจเอาทุกเขาให้มันอดทนเอาอืมบารมีเนี่ย มันถ้าเขามันเป็นยังไงหลวงพ่อไปรไมีนะมันสนุกมันว่าไปอยู่ในสวรรค์โอปยนี้นผ่านมันเป็นไงถามให้ท่านฟังมันจะมันจะเป็นยไงมันอยู่กับใจท่านวางนั้นใจของเรานั้นนะมันจะสว่างสบายมันจะมันจะเกิดมาให้เห็นเองมาแต่ทำไปไปนี่ทำอย่างนี้มันจะรู้ไหมคับหลงพ่อรู้ ถ้ามันเกิดขคุณอาจะรู้ใแล้ววันนี้พวกที่ที่พวกเนี่ยเขาเห็นไหมเขาเขาไปไปธรรมะได้ไหมเขาบอไม่รู้เนี่ยพวกที่เขาไม่ได้ไปทำได้หุ่จากธรรมะไหมพวกที่ไม่มาประพฤติปฏิบัติถ้าตายเออมันก็มาเหมือนกันนั่นแหละธรรมาระยะเดียวเพาะันว่าปัดเดียวเทนั่นแหละเะนัเนี่ยอืบารมีเนี่ยคือนี่แหละตอนเราจะตายเนี่ยอีกจากกีหานั้นแททีเนี่ย อันนี้แหละมันจะไปไปมันมันจะเกิดให้เห็นท่านไว้อย่างนั้น <deven gy> ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้เนี่นย <deven gy> มันก็เกิดให้เห็นนั่นแหละแต่ว่าทางเรายังไม่ท่านรู้จักเข้าใจก็เกิดมาหเห็นมันก็นานก่อเพราะเขาที่ไม่มาปฏิบัติเลยดีกว่าเขาไม่มาปฏิบัตินะเพวกะเขามาแบบเนี้ดีกว่าคนที่เขาไม่มาอีกบางนั้นเออได้เท่านี้มันก็ได้เท่านี้แล้วมันมันไม่ดีก็ได้ดีแี่ยมันทำอะไรมันก็ได้เท่านั้นแหละ ท่านก็ว่าเนี่ยมันจะค่อยเกิดมาเองบารมีผนหลังเนี่ยมันยังไม่เกิดเนี่ยมันไม่ถึงเวลามันไม่เกิดตอนจะตายเนี่ยมันจะเกิดมาเกิดมานั่นเนี่มามาลุกพละตอนใจจะขาดเนี่เขามีทา่านว่าในหลวงูเนี่ยท่านได้ฟังว่าฟังแล้วก็ให้อดเอาทนเอาเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็จะเข้าใจเอง ให้ทาไปเนี่ยวัรลมียังไม่เกิดนี่คือพันมมีผนหลังเนี่ยคือตอนที่เดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้นะเนี่ยตอนจะตายมันเห็นนี่หล ะ, ละใ ห, ใ ห, ให้ให้ปุสาเอาก็วันนี้ครับถัวตายเลยบัดเนี้ยเป็นไงก็เป็ น, ป น, ปนไม่ต้องให้มันล ะ, นละบักขี้ข้าน่ะไล่นี้เออมันมันเป็นก็ไม่ไม่อยู่กับมันอุชาเอาไปก็ มาอยู่กับหลวงพ่ออาจารย์มาเนี่ยมันหมดแล้วเกบตัวออกแล้วจจกออกจา ก, กอารมณ์แล้วให้เก็บอยู่สิบเอ็ดวันอยู่สิบอ็ดวันวันสิบสองก็ได้ออกอบัด น, นี้ก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันยิ่งไม่เห็นเลยบัดเนี่ยไม่มีอะไรเลยเมื่อหมดนเนื้อหมดตัวเลยเบัด น, นี้ก็เอ๊ มันไม่รู้จักอะไรเนี่ยเดินไปเนี่ยจจกสามเก่าเท่านั้นแหละมันรู้ว่าต่อจากนั้นไปมันไม่รู้อะไรมันมันไม่หมดเลยเยียบดินเนี่ขาไม่รู้จกักมานี้ก็าเลยอยู่คนเดียวเอ๊กูนี่มันจะตายเหงื่อไหมไหน้อวะอยากตายแล้วบนเนี่ยถ้ามีคนมาฆ่าได้ได้ธรรมารู้จักธรรมานี่ยจะให้เขาฆ่าจริงจยอมให้เขาฆ่าเลยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ตายได้ทําไงเนี่ยว่า บานนี้ก็คิดได้ไปเอ า, มาไม้มาไม้ไมแหลมอยู่แถวแถวที่นั่นแหละที่เจ้าของเดินอยู่นั่นนะเอามาแทงตา ม, ต, ามตีนเจ้าของเออมันจะมันจะเก็บไปมันจะรู้สึกไหมกูจะเอาดินมาแทงดูมันเบิกหน้าว่ะไปหาเอาไม้มาแทงมันก็เก็บแลนะคนไม่ตายนะ <c oughs> ว่อ้าวว่ามันไม่รู้มันก็ยังรู้น่ะเดว่าท่านว่าเออวันออนี้ก็อ่ามามันมันมันหมดมันหมดเลยเนี่ยมันหมดปัญญาแล้วมันเบิดอะไรแต่อยากแล้วมูนวาสนารรบรมีเนี่ยไม่มีจริงจริงว่าแน่สุดเลยแต่ว่ันนี้ก็มานั่งนั่งอยู่มาถามอย่าของ เอามือไว้บนเข่ามือมึงอยู่ไหนหเดี๋ยวนี้อยู่บนเข่าไม่เป็นจะไม่ใช่ตัวนี้หรือตัวรั่วคิดแต่พอ่พ อ, พอถามเจ้าของอะ่ะไม่ตัวรู่แต่แต่เอามือไว้บนบนเขามันยังรู้จักนี้มันนี้เอามาเอา ม, ามือไว้ข้างหลังมือไว้ข้างหลังมืออยู่ไหนนะอยู่หลังบอกมันกรมันก็กำบอกมันใหญ่มันก็ใหญ่ เออตัวรู้ตัวนี้แหละมัง้งว่ะวันนี้ก็มันมันกรรมก็รู้จักมันเหยียดก็รู้จักมันก็ถามมันเป็นเดี๋ยวนี้กรรมหรือเหยียดเนี่ยกรรมเหียดไม่ก็รู้จักกรรมมันก็รู้จักวันนี้ก็มามาเดินดูเดินดูลัดตาเดินดับตาเดินไม่ก็ เห็นตัวเดินไปเหมือนกันรู้จักว่าโอ้ขาใต้ขวาก็ุูมจักขาใต้ก็รู้จักเป็นเดียบเท่าก็ลู่จักขาใต้ขาขวาเห็นบานเนี้โอ้ตัวนี้ตัวรู้สึกตัวนี้น่ะมั้งวะเนีก็เดินนะบันนี้ยมือเลือนตาขึ้นตาขึ้นก่เดินนี่ไปกับตัวรู้สึกเนี่ยเดินกลับไปเดินกลับมาเดินกลับไปเดินกลับมาไม่ไม่ดูอะไรได้บันเนี้ยเดินก้าวหน้า เอาเก้าขาขวาลงก็รู้จั ก, จากขาซ้ายลงก็รู้จักรู้รู้รู้รู้รู้รู้รูปไปรูปว่าไปว่ามามันหลงควาคิดอ่ะมันลืมคิดเนีก็อยู่ตัวนี้เลยตั้งแต่อ่อนผมคิดตัวนี้คือยังยังไม่คิดนีก็ทําตัวดูดูตัวเองไปบ้านนี้ก็เห็นตัวเองนกเขามามาเดินอยู่กับตัวรู้สึกเลย ตั้งแต่ก่อนเราไม่ได้เคยแบบนั้นเลยไม่เป็นแบบนั้นเลยบัดนี้มา ท, ทำแบบนั้นอ่ะมันอยู่กับตัวรู้สึกเนี่ยกลับไปก็รู้จกักกลับมาเขารู้จักอยู่นานๆอยู่แต่ก้านาทีตีมนาทีมั น, นก็ไ ม, ไม่ไม่ค่อยคิดก็คืดดีใจเอมันจะมันจะเป็นแบบนี้หลือมั้งมันตั้งแต่ก่อนเราคิดบัดนี้มั น, ม, นมันคิดคือเรามีที่พึ่งอ่ะ มาที่พิงมีที่อตาตัยคือเห็นตัวรูนะั่นน่ะเต็นต์ต่ก่อนมันไม่เห็นนะ่ะมันไ ม, ม่มีตัวดูไม่มีตัวเที่พักเพียงที่ไห น, นก็เลยแบบแบบนั่นแหะสตาคนไม่รู้นั่นแหละวันนี้รู้จักแล้ ว, วกเ็เลยตามนี่แหละตามที่เราอยู่เนี่ยเหยียบปั๊บรูรูรูรูรูรูรูไปมันนี่ก็มาแล<า>้มานั่งมานั่งตั้างคงว่า เดินไปยกไปมือขวาก็รู้อยากมือซ้ายก็รู้จกั ก, จกเอาลงเอาขึ้นรู้จกักแล้วบันนี้มันก็นความคิดมันก็นก็ ค, คิดอยู่ดอกแต่นานๆคิดอันที่หนึ่งพอคิดนี่ก็เข้ามาหาตัวรู้คิดแล้วก็มาหาตัวรู้เ อ, อกไปมาก็มันก็ค่อยห่างออกห่างออกห่างออกเบาวัเนี่ยเบากายเบาใจ ลลโล่งๆก็เพินนะบั น, นความขี้เกียจที่ข้านก็ถอยออกไปแล้ ว, ลวความเงาเห้านอนก็ไม่ไม่มีแต่ือก่อนมันมีตลอดอะ่ะเพิ่งมีวันนั่นแหละมันมันรู้จักรู้จักความรู้สึกการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปเอามาไปถ่ายตอนเนีน่ยไปเดเข้าห้องน้ำตอนเวลา3ามโมงเย็นเนี่ยไปแล้วไปเปิดไปเปิดประตูส้วม พอจับ ป, ประตูส้วมนั่แหละมือกับประตูส้วมน่ะมันดูดเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยเป็นแม่เหล็กมันดูดแต่กันจับปั๊บจับ ป, ป ip, ั๊บรู้สึกมันรู้สึกดีเอตั้งแต่ขอนไม่เห็นมันรู้สึกอย่างนี้วันนีร้รู้จักแล้วบันนี้รู้แล้วเปล่เดินไปเดินไปนะมันไม่เห็นอะไรเลยเอ ม, มันมีแ้แต่อยู่กับตัวรู้สึกวันเดียมันไม่คิดหน้าคิดหลังเลยวัเนี้ก็เพลิดเพลินไปกับมัน ดีอกดีใจแล้วเอ๊ะธรรมะเนี่กูจะรู้ธรรมะอิริมันบ้าเนี่ยมาถึงว่าคิดดีใจแล้วก็ขยันความขยันก็เกิดขึ้นวันเนี่ยความง่วงเหงาหอนมันก็หายไปเดินไปเดินมาวันนั้นวันยังค่าเลยไม่นั่นเลงพอนั่นเองพอไปถึงเวลานอนไปถึงเวลานอนก็ นอนก็ไปเหยียดขาไปไหนก็รู้จักนอนงายก็รู้จักนอนตะแคงก็รู้จักเอวันนี้มันมันแปลกแป่กวะคิดอยู่ในใจตั้งแต่ก่อนเราไม่เห็นตัวอย่างนี้ไม่ไม่เห็นมันกิ่งกิ่ง ต, ต, ต, ต, ตัวไปไหนก็ไม่เห็นอ่วันนี้มันทำไงมันถรู้รู้ได้นยะไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือมันจะรู้ธรรมะนาะวะวันนี้ก็ตอนเหยียดแ่งเหยียดขาก็รู้จัก ตีงพิกขิตีงตัวในคืนนั้นน่ะรู้จักนอนอย่างนี้ไงจิตใจมันจะออกนอกตัวไปก็ก็เห็นมันไปเส้ น, นตก่อนเป็นเป็นผู้เป็นกับมันวันนี้วันในคืนนั้นไม่เห็นวันนี้สบายตัวตลอดคืนวันนั่นน่ะพอตีตีลุกขึ้นมันเนี่ยวันที่ถุถดรอถ่ายวันที่ออกจากจาก ท, ที่เก็บอารมณ์มา วันนี้แล้วจะได้ออกจากอารมณ์ทั้งที่อยากทั้งไม่อยากออกมันนี่ก็เลยมาเดินจงกลมเล่นพอเดินมานี่ออกไปแล้ววันนี้กลับขึ้นมาอีกแล้วไม่รู้อะไรป่ะเนี่ยตัวรู้สึกก็ไม่มีพอตัวรู้สึกไม่มีก็เดินหามันเนี้ยเดินหาก็หนักแข้งหนักขาหนักตัวหนักตจนเกิดเชียดขึ้น พุ่งสั้นลำคันสารพัดแต่จะจะเกิดเกิดไปวันนี้หลงห ล, ลงแล้วบัดเนี้ยแต่เดินนู่หยุดเอ๋อตายมันตายไปเดินนี่แหละดูไปดูมาดูไปดูมาโอ้เดินไปพอตกก็เห็นแสงสว่างนี่แหละไม่มันหนักคันมันหนักหนักนั่นนะแล้วค้ายๆก็มาีอะไรมาแขนคออยู่มันมาขาดออกขาดออ ก, ออกแก่คอแล้วเนี่ยตั ดงเน่ยเดี๋ยวจนจนเดินกระเด็นเลยลุกขึ้นอ่ะมันมันระโดดขึ้นอ่ะเดินอยู่นั่นน่ะโอ้วันนี้โอ้เอ๊มันเป็นอะไรเนี่ยวะพอพอมันเป็นแบบนั้นอ่ะอันอันหนักๆนันกไม่มีบัตรเนี่ยเบาเลยเดินไปเนี่เบาแล้วบัตเนี่ยเดินกลับไปเดินกลับมาเดินเห็นความรู้สึกโอ้เห็นแล้วบัตเนี่ยความรู้สึกอ่ะเห็นแล้วเดินกลับไปเดินกลับมาเนีเห็นเถ่าอยู่ที่เนีย เ, เห็นเนี่ยโอ้อันนี้เป็นรูปเหมืนน่งโอ้ไปลงไปคําเสาอยู่รูปมันแล้วก็มาขาดูกายตัวเองโอ้ย น, น, นี่นี่รูปเรานี่เนี่ยนี่ก็รูปเนี่ยโอ้ดีรูปเปล่าเออเนี่ยมันที่แรก ท, ที่แรกนะบ้านี่เดินไปอกีกแม่แม่ก็เห็นความรู้สึกโอ้ยอันนี้ทามันเคลื่อนไหวไ ด, ได้นี่เพรอมีใจ คนคนตายเนี่ยมันมันไม่มีใจมันเดินไม่ได้หรอกลุกก็ลุกไม่ได้เหมือนขัดไม่อยู่กับถนนทางแหละนี่มันด้านเนี้ยมันอันตัวเคลื่อนไหวตัวเนี้ยตัวรู้สึกเนี่ยมันตัวนเนี้ยตัวน้ำพอว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปไหนเป็นรูปเป็นนามไปหมดแล้วขึ้นไปถึงว่าเดี๋ยวไปบนฟ้ามันก็เห็นโอ้อันนี้มันเป็นรูปไันเป็นนามมันเห็นไหมอ่ะอันตัวเห็นเป็นรูปตัวรูปมันเป็นนามมันเห็นหมดแล้เข้าไกไปเลย ตาเห็นนี่มันเป็นรูปหมดอันตัวรูปเนี่ไม่เป็นนามใจมันรูปเออเห็นธนินตนีเลยอันเนี้ยเห็นอย่างนั้นเลยตอกแล้วมันมาก่อคิดเห็นพ่อคิดเห็นแม่คิดเห็นพี่คิดเห็นน้องคิดถอเห็นคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้เนี่ยเกิดมาเล่นไม่ไม่ว่าแต่ใครแหละเกิดมาเล่นทําไม่รู้จักสิ่งนี้ถ้ารู้จักสิ่งนี้เอออันนี้มาเป็นมนุษย์แท้แทเนี่ นั่นแหละปดุดไปไปปรดไปมาเห็นครูบาท่านเทศมากเข้าใจเรื่องนี่แหะเรื่องสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี่ยเออมารู้จเกื่องนคนเราเนี่ยเกิดมาคนเรานี่มันต้องมาอยู่ที่นี่มันอันนี้แหละมาอยู่อันนี้ก่อนถ้าเราไม่ได้มาเปิดดปฏิบัติเราทําไปนี่มาก็อันนี้แหละจนตายเนี่ยเราสร้างเราเกิดขึ้นแล้วเราเราสร้างเอาหมดเนอสร้างมดทุกอย่างเลย ไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นตัวเนี้มันเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ได้มันมันได้เกิดว่าคำเป็นเพราะกรรมอันนั้นอันนี้ไม่ใช่เกิดมานี่เรามาหาทุกอย่างมาหาอยู่หากินนี่แหละแต่เราไม่รู้จักมันเกิดอะไรขึ้นมาให้เราเห็นเลยผีก็อยู่กับเราวะเนี่ยรู้จักผีรู้จักอะไรเลื้ยวไประพฤ้ตะเพอไว้เนี่ยผีไม่ได้อยู่ที่ไหนเราสร้างขึ้นมาเองความโมโหความโศตัวความอิจธาพยาบาทกัน ไม่มีใครจะมาทําให้เราเราทําเองเอเป็นที่รักศกขวมยไม่มีใครจะมาหัดให้เราเร า, เรามันเป็นเองี่ความจองของฟองผลอิถยาพยาบาทกันนี่เราก็ทําเองฆ่ากันเราก็ทําเองเอ <บ patrim S 2> มัน <ific S 2> เเีเห<ร><ร>็น<ร>นะโอ้เราเกิดมานี่เราเกิดมานี่มันมันได้ทุกคนเลยมันเกิดนี่ถ้าไม่มาประพฤติปฏิบัติแบบนี้เราไม่เจ้จากบาปบุญคุณโทษเลย มันเห็นหมดเลยบัดนี้มาคิดเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเราทาเป็นด่าตายตายไปเคยๆหน้าสงสารเหลือเกินเกิดมาคนเป็นคนเนี่ยเกิดทุกข์เกิดยากในแท้หัวจะได้เกิดมาเนี่ยรับสร้างบาปสร้างบุญไม่ก็มีแต่ว่าเอาสิ่งที่มาเราสร้างสร้างคนดีนั่นแหละมาเปรียบเทียบกับของที่ไม่ดีเนี่ย มันห่อหุ้มหมดอันสิ่งที่เราหายอยู่ขาจกินเนี่ยมันเคยขายสัตว์ตัดชีวิตเคยชออโกงกันตารพัดมันอิจฉามันพยาบาทกันอยู่เนี่ยมันหุ้มหมดเลยมันไม่เห็นเลยอันที่ความดีเราอ่ะเหมือนอหละเหมือนเหมือนเขา ศาสนาอื่นมามาถมศาสนาพุทธเจ้าดีเนี่ยแหมาห่อหุ้มไปหมดเนี่ยไม่เห็นเลยแหละอย่างหลวงพ่อเรานี่คึกเหมือนกันหลวงพ่อเทียนตวเนี้ไปได้บัดมาใหม่ๆเนี่ยอยากเอามาโปรดญาติโยมม า, มาเอาพูดให้ใครฟังไม่มีคนรู้เชื่อเลยพระสงองค์เจ้าไม่รู้อยากเลยพุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนี้เลยไม่ได้ออกจากหนังสือมาเป็นแบบนี้มันไม่มีคําสอนแบบนี้ก็ไม่มีปฏิเสธเลย มันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะพอมันรู้จักมาเข้าใจโดนี่มันค่อยรู้จักว่าโอ้ไม่มีคนจะพูดเหมือนบ่งบูเทียนเลยมาให้ธรรมะเนี่ยมีแต่แต่ไปเอาตำลามาสอนกันตำรามสอนนี้ก็มันก็ดีเหมือนกัน่ะแต่มันมันรู้จักแต่ทางนอกอทางในมันไม่เห็นมีตั้งแต่จพูดได้กันอยู่เฉยแต่แต่ว่าเรียนได้จบปฏิญญาก็ตามส่วนโลภะโทสะโมหะมันมาครอบงําเราอยู่เนี่ยเราไม่เห็นเลย เราเห็นไม่ออกเลยมีเท่านี้แหละพอมาเห็นหลวงปู่เตียนท่านสอนเนี่ยหลวงพ่อคเขียนเราเนี่สอนนี่มันมันไม่ไม่มีคนมาสอนให้ฟังเลยตั้งแต่ก่อนพวกเราเนี่เกิดมาก็นานพอสมควรมาฟังเทศฟังธรรมพระนั่นก็ว่ามันสนุกสนานก็ไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเทศให้กันฟัง อันเรื่องที่เทม่าสอนให้ออกทุกนี่ยากไม่มีเลยเราไม่มีคนมาสอนเรื่องชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่บอกไม่สอนสอนบอกว่าขั้นสอนก็สอนไปทางไม่ดีอ่ะมีไม่มีหูมีตาเลยไม่มีอกมีใจเลยทาให้เขาข่มเหงมือมึงไม่ ม, มีตีนมึงไม่มีมเลยแม่เอาไปแล้ววันเนี้ยอยากชน ะ, ะนนตั้งใจกันอยู่นี่แหละไม่พพนนลดจย่อนผ่อนผันกันเลยเนี่ยมาคิดแล้วโอ้ยมาคิดแล้วเนี่ย ถ้าไม่มาเจอหลวงปู่เทียนเนี่ยไม่เห็นอกพวกเราอ่ะพุทธศาสนามีอยู่นี่แล้วเป็นอย่างนี้นี่แหละพยายามเข้ามาเนี่ยนี่บุญนี่มันดูจากเข้าไปหมดเลยตั้งแต่ศีนนี่แหละให้ทานรักษาศีนนี่คอยคอยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจนจนไม่สงสัยนั่นลกสวรรค์ไม่ต้องไปถามมันเกิดขึ้นมาเองมันเห็นเองมันอยู่เขาดูนําเราเองเนี่ย นิพพานก็ให้เห็นเห็นด้วนี้ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วยังจะไปเอานิพพานถ้าตายไปแล้วนะถ้ามาเห็นในเป็นคนนี่มันไม่เห็นอะไรหรอกจะคิดเลยว่าจะเห็นอันนั้นอันนี้ก็เห็นตั้งแต่ทิ้งแล้วที่เรามองเห็นอยู่นี่แหละทําอะไรเป็นอยู่นี้แหละเห็นอยู่นี่ได้อยู่นี้แหละเนี่ยถ้าได้เราก็ไม่รู้จักปลดจากปล่อยจากวางที่พวกที่ไม่มาปฏิบัติถ้าพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะไปเห็นชีวิตจิตใจของเรามันไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะเห็น เห็นแล้วเราก็ไม่เป็นไปตามมันสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเราก็เลือกเอาแต่แต่สิ่งที่ดีๆถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้เราว็มายกมือสร้างจังหวะอย่างเราทําอยู่เนี่ยนี่แหละมันจะค่อยเห็นเองเนี่ยวิธีปฏิบัติก็อย่าไปเอาอื่นให้มาดูไกลขั้นไหวเท่านั้นแหละความคิดนี่มันห้า ม, มาไม่ฟังดอกไม่คิดก็ไม่ได้อย่าไปห้ามความคิดมันตัวธรรมชาติของเราแต่ว่าจะให้มีอกมีใจ ให้มันดูเฉยๆหน่อยดูเฉยๆไม่ให้ไปติดเท่าะความดีเราก็เห็นแช่นั้นแหละลวความชัวม่วเราก็เห็นแช่นั้นแหละเห็นแช่เราเห็นนั่นน่ะอย่าไปปรุงไปแต่งว่าอัน น, น, นั้นดีอันนี้สวยเห็นแล้วก็อยากได้เห็นแล้วก็อยากไป ร, รังเบียดอิจฉาไปอย่างนั้นมันไม่ใช่มันถูกมันผิดไปนี่แหละทางสายกลางกลางหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเดินไปนี่ก็เหมือกันเดินไปเนี่ยเราไปจ้องก็ไม่ได้เราจะเพไปเพ่งก็ไม่ได้ เดินไปเสยๆลู่เสยๆยกมือ น, นี้ก็กเป็นดู่เฉยๆไม่ให้ไปจ้องไม่ให้อยากได้ถ้าถ้าเราอยากได้อยู่ไ ม, nutri, ไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นอันนี้ให้อยู่เฉยๆตัวแล้วแต่อะไรจะเกิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยไปเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปเท่านี้ว่าแต่ให้ใหเห็นรูปเห็นนามชัดๆถ้าไม่เห็นรูปเห็นนามชัดๆเนี่ยมันก็ไปเอาตํารามมาพูดคิดเรียงนั้นบ้างคิดเรียงนี้บ้างมันจะเป็นอย่นั้นเป็นเดาเอาเอง เออที่เราเห็นนี่เห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันเกิดขึ้นให้ เ, หเราเห็นเอออันดีมันก็เกิดขึ้นมาเห็นอันไม่ดีมันก็เกิดมาให้เราเห็นเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งหมดเลยเราอย่าไปดูที่อื่นาทางนอกนะไปทางนอกทางนอกมันกว้างไกลขนาดดาไม่ไหวหรอกอาทางใจของเราเนี่ยมันไม่ไมันไม่มไกล ม, มาหาเราจะออกทุกเราก็ต้องให้รู้จัก ก็มันเกิดไปอยา่างกิจใจกายเราทั้งในนี้แหละมันไปอิจชามันพยาบาทมันไปแย่งชิงกันมันก็เกิดไปอย่างนี้แหละอะไรเกิดก็ให้มันรู้จักให้เราเข้าใจกิจชีวิตจิตใจของเรามันบอกได้มันสอนได้กิจใจของเราเนี่ยนั่นแหละให้พยายามเนี่ยดูกายดูใจคนหนึ่งมันเป็นคนรู้คนหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวอยู่ในใจของเราเนี่ยโอ้อันนั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นนามให้รู้จักเองเนี่ย พระตาชาวบ้านเขาเรียกว่ากายใจคือพระตายธรรมะเขาเรียกว่ารูปนามให้เราเห็นไปเห็นแล้วก็แล้วไปเออเห็นไปเลยจะไปวิพากษ์วิจารณ์จะเข้าไปอยู่จะเข้าไปเป็นแต่ค่อเนี่ยเราเห็นอนไรเราก็ไปติดอะไรนั้นเลยเนี่ยเราจะไปติดไม่อย่าในโลกเนี่ยคือว่าเราทํางานเฉยๆทางานให้มันเออเรามีอยู่ให้เรามีอยู่มีกินมีใช่ เแล้วก็ <S <S เราอย่าไปขีเหนี่ยวอย่าจะไ ป, ไ ป, ะไปนั่นอย่าอย่าไปเอาก็เอาอยู่เอาอยู่แต่ว่าเก็บให้มันดีเนี่ยตงพระพุทธชันเจ้าท่านสอนบอกว่าให้รู้จักเก็บหอมรอมริบเนี่ยให้รู้จักซื้อจักหารู้จักเก็บรู้จักทาแล้วทาแล้วก็ถ้ามันหมดแล้วก็เลีวไปถ้ามันหายแล้วก็เล่้วไปหาใหม่ เก็บได้ไวให้ดีเนี่ยได้หลายๆอยากมีมากก็ให้ทำให้มากๆแล้วก็เก็บไให้ดีจะให้ขี้มยมารักอย่าให้จนจนมาป่นอย่าให้ไฟมาไหม่าให้น้ามาท่วมให้รักษาให้ดีเนี่ยขั้นหมดแล้วก็แล้วไปอย่าไปร้องให้ต้องผม้องให้มันไม่ดีมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราให้เราพยายามมาเห็ดมาทำอาใหม่เท่านั้นแหละอะไรมันหวดไปก็แล้วไปเนี่ย เราเกิดมานี่ก็เหมือนกันเกิดมานี่ถูกขังของเองหมดแน่แหละพวกเราเน่ยไม่มีคนมาขังหรอกเนี่ยจะมาวัดก็มาไม่ได้ขังตัวเองไว้ในป่าน่นะเขาเรียกว่าป่ารกน่ะหนีไม่ได้เอคิดถึงอันนั่นคิดถึงอันนี้เอเกิดมาแล้วก็ไม่อยากไปไปนิพพานไม่อยากไปเฉยเฉยในปากส่วนจิตใจน่ะยันกลัวจะไม่เห็นลูกเห็นเต่าคอยจะไม่เห็นพี่เห็นน้องจะไปที่ไหนก็คิดห่วงบ้านห่วงเมือง สุดแล้วอันนีนะครับไปรู้ว่าไปไปติดตอนั้นเนี่ยติดหมดทุกอย่างนะก็เราเกิดมาเนี่ยนี่แหละให้มหัดเปิดหัดปล่อยหัดละหัดวางให้มีเฉยๆให้เอาเฉยๆเดียวจะไปยึดติดได้ถึงนั้นมีเต็มบ้านอยู่คล้ายๆกับเราไม่มีอะไรให้ทําใจแบบนั้นเนี่ยให้พยายามทําตั้งแต่ก่อนเราไม่รู้จักการเปิดปล่อยการวางเนี่ยก็ไปติดใดถึงนั้นแหละออกออกไม่ได้ เออทั่ว <Jub> ม <ilee> <words> <y elim> <istas blueberries> <ands> ันโดนเติบสิครับเอาละนอเออเอาละท่านนี่ก็ขอยุติแต่เพียงตัวนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนตลอดคุณพระคุณเจ้าให้ตั้งอกตั้งใจพระพฤติรีบัตให้เข้าทงแก่แท่ของพระพุทธศาสนาคือความสว่าง ความสะอาดความถูกมบความร้อที่ตื่ตนตใจว่างไวให้ทันเหตุการณ์จิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงมาไหนให้นําลู่ตา ม, ตามที่เรามางปฏิบัติเนี่ยอย่าไปเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้ลูเ่เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไปเท่านี้แหละข อ, อยุติเพียงนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประตูพบเห็นในเวลาลันไกนี้ทุกๆท่านทุกคนเถิด